บวกวิญญัติรูปเป็นวจีกรรมดวงนี้ว่าไปนะถ้าเป็นกุศลก็ให้ผลเป็นสุขถ้าอากุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์รับไม่ค่อยได้นะว่าแม่ที่เราพูดทุกคำทุกคำมันจะมีผลต่อไปอีกนะไม่อยากเชื่อเลยนะถ้ามันให้ผลนี่เราไปเก็บไว้ไหนเนี่ยมันก็ไม่ต้องเก็บที่ไหนหรอกมันประดุดเงาติดตามตัวไปนะก็มีใครอยากจะถามเรื่องอื่นๆไหม ถามได้หมดละกลับกลันมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ อยากจะขอความอธิบายของคําว่าประโยคคะความหมายแล้วก็คําอธิบายให้ละเอียดยิ่งกว่านี้ให้เชียวค่ะศัพท์ว่าโยคะเนี่ยเป็นคําที่กว้าง น, นะนะเพราะโยคะนี่โดยศัพท์แปลว่าประกอบนะคำว่าประกอบเมื่อคําว่าประกอบตัวนี้เนี่ยถ้ามีปะนําหน้าปะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าทั่วประกอบโดยทั่ว คำว่าประกอบทั่วในที่นี้หมายถึงกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั่นเองหมายถึงพฤติกรรมทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเป็น อ, อย่างเช่นประโยค่าสมบัติแต่ทั่วๆไปนะว่ากุศลกรรมจะให้ผลได้เพราะอาศัยประโยค่าสมบัติหมายถึงว่าการประกอบทางกายที่สมบูรณ์การประกอบทางวาจาที่สมบูรณ์ ทำให้วิบากในอดีต ท, ที่เป็นกุศลให้ผลได้ดนะกุศลกรรมที่ทำในอดีตจักให้ผลได้เพราะอาศัยประโยค่าสมบัติคือทางกายทางวาจาเรียกว่าการประกอบที่เหมาะสมที่สมควรแก่วิบากอันนั้นที่จะให้วิบากอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยค่าทีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานผู้ที่เจริญกรรมฐานก็เรียกว่าโยค่าเหมือนกันบุคคลผู้ทาโยค่าเรียกว่าโยคี นนะหรือคนที่ประกอบอย่างนี้ท่องเที่ยวไปด้วยการเจริญอย่างนี้เรียกว่าโยคาวจรโยคาวจระก็คือผู้ที่เจริญกรรมฐานผู้ที่บำเพ็ญกรรมฐานผู้ที่สมาทานกรรมฐานประพฤติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องเรียกว่าพระโยคาวจรหรือโยคีบุคคลอนนะันั้นคาว่าโยค่า น, นี้หมายถึงการประกอบทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าอย่างการประกอบทางใจเนี่ยนะก็อย่างที่พระองค์ตรัสในเรื่องพระโพธิละเนี่ยนะในคาถาธรรมบทว่าปัญญานี้เกิดจากการประกอบโยคาฮเวเนี่ยนะโยคะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงปัญญาที่เกิดเพราะการประกอบปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประกอบบุคคลเมื่อรู้ทางสองแพร่งว่าปัญญานี้เกิดเพราะการประกอบนะถ้าไม่เกิดไม่เกิดก็เพราะไม่ประกอบแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นทางเจริญอะไรเป็นทางเสื่อม ก็ตั้งตั้งต้นเอาไว้โดยปัญญาจะเกิดขึ้นได้ น, นะตั้งเอาไว้เลยนะว่าปัญญาจะเกิดได้เพราะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือตั้งต้นในการประกอบกิจกรรมในทางปัญญาเฉนั้นปัญญานี้เวลาเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเพลียที่สุดอ่อนกําลังที่สุดก็คืออะไร uh huh. กรรมสกตาปัญญาเนี่ยนะในบรรดากรรมสกตาปัญญาสัมมาทิฐิเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบ ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการรู้ว่าสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนะทำโลกนี้กับโลกอื่นให้แจ้งชัดและเอามาบอกสอนเนี่ยมีอยู่ น, นะมันผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือใครก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันปัญญาอย่างที่เราในฐานะพุทธบริษัทที่พึงเห็นเป็นเบื้องแรกก็คือ เห็นคุณของพระพุทธเจ้าถ้ามีปัญญาก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในทุกคนทุกแห่งถ้าเรารับอารมณ์ใดๆแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็นับว่าเสี่ยงมากนะอย่างน้อยที่สุดโบราณยังสอนใช่ไหมฟ้าผา่าให้ต้องพุทโธพุทโธเอาไว้ก็ยังดีนะประสบอุบัติเหตุเขาไม่มีคำแช่งแบบสมัยใหม่ใช่ไหมพอมีอะไรปั๊บก็พุทโธพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้ระลึกไปในลักษณะนี้ไว้ก่อน ทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะของตอมาถ้าโดยส่วนตัวอยากจะแนะนำธรรมะที่เรียกว่ากล่มอภินยัยยธรรมเนี่ยให้ทรงจำเอาไว้เป็นเป็นแบบเป็นแผนเพราะว่าสามารถใช้ได้ตลอดกาลจริงๆนะถ้ายิ่งมณสิการบ่อยๆจะเห็นคุณซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงอริยศัสตร์ครอบคลุมไปถึงการบาเพ็ญ ไตรสิกขาอย่างที่ว่าเมื่อรับอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้ระลึกถึงอภินยัยธรรมอันนี้ข้อแรกก่อนนะสอและเลึกถึงปริญยัยธรรมสามและเลึกถึงปหาตปธรรม4ี่และเลึกถึงสัจจิกาตปธรรมห้าและเลึกถึงภาเวตปธรรม น, นะในสิ่งเดียวนี่สามารถมองได้ทั้งห้าเหลี่ยมหรือห้ามุมเหล่านี้สิ่งเดียวนะถ้าเรามองไม่เห็นอย่างนั้นเราจะไม่เห็นความเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรดังที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเช่นเนี่ยอย่างทวารไหนดีเอาทวารไหนสักทวาร น, นึ่งขึ้นไหมทวารตาหน่ยนะ่อย่างเนี่ยตาที่เราว่าแบบภาษาไไทยไทยเราก็คือมองเห็นเนี่ยมองเห็นสักอย่างนึงเอามองเห็นตานาคกันแล้วกันถ้ามองเห็นตานาคอย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นภาษาไทยไทยเรานะทีนี้เราเอาหลักวิชาธรรมะมาจับเลยว่า ในเนี่ยการมองเห็นอะไรควรรู้ยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าตาควรรู้ยิ่งใช่ไหมสีที่เห็นเนี่ยนะคือคือทั้งปานาที่เห็นจริงๆเราเห็นสีนะในบรรดาอย่างอื่นทั้งหมดไม่เห็นหรอกแต่รู้ด้วยทางใจเนี่ยนะอย่างอื่นทั้งหมดเนี่อรู้ทวารใจแต่ที่เห็นจริงๆนี่เห็นเห็นสีเะนั้นตาควรรู้ยิ่งสีควรรู้ยิ่งอาศัยตากับสีเนี่ยตาเป็นวัตถุ ข, ของจักรคูวิญ ญ, ญาณสีเป็นอารมณ์ของ จากคูวิญญาณอาศัยหลอดไฟฟ้าเนี่ยช่วยจากคูวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะมณฑสการเนี่ยนะพวกนี้ควรรู้ยิ่งทีนี้ถ้าถ้าเห็นปานาบตอนแกยิ้มแย้มแจม่มใสเราก็โสมนัสไปด้วยใช่ไหมถ้าตอนเห็นตอนที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยนะกำลังวิงเวียนพอดีเลยเนี่ยเราก็จะป่วยไปด้วยอันนี้ก็โธมนัสก็จะเกิดนะเพราะว่าภาษาอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา อันนะั้นเพราะจะกล่าวไม่ได้เลยว่าถ้าปานาคยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะไม่ยิ้มแ ย, ย้มตามไปด้วยอันนะเพราะได้อิทธารม่มใช่ไหมสภาวะที่น่าปรารถนาถ้าตอนที่ไม่สบายเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะเราเห็นก็พลอยโทมนัดไปด้วยแต่ถ้าตอนธรรมดาทั่วไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าก็อุเบกขาเวทนาซะส่วนใหญ่พันเวทนาเหล่านี้ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งอ่านะสรุปว่าตานี้ควรรู้ยิ่งพร้อมทั้งปัจจัย สีของป้านหน้าก็ควรรู้ยิ่งพร้อมทั้งปัจจัยเพราะสีเกิดจากสมุฐาน ส, สีประการเนี่ยนะจากคุูวิญญาณก็มีปัจจัยคือตากับสีเป็นปัจจัยแสงสว่างเป็นปัจจัยภาษะนะทั้งหมดประชุมกันเรียกว่าภาษะถ้ารู้ปารม์ที่น่าปราถนาก็เป็นนะตอนยิ้มแย้มแจ่มใสก็สุขเวทนาถ้าตอนที่ไม่ค่อยสบายก็เป็น ทุโทมณนัสเวทนานะคนเห็นก็โทมนัตเลยนะแต่ยิ่งผูกพันกันมากก็โทมนัตมากถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปสนใจเรื่องอื่นอยู่อุเบกขาวเวทนาก็เกิดเพราะการรอบรู้สิ่งนี้พร้อมทั้งปัจจัยที่สำคัญที่สุดต้องไม่ลืมว่าคูณกามสามด้วยเพราะทวารตามไม่ใช่เห็นแค่ขณะนี้ก่อนหน้านี้ก็เห็นก่อนหน้านี้ถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปก็เห็นชาติที่แล้วก็ก็องค์ประชุมแบบเนี้ย หอยหลังไปกี่ล้านกลับที่แล้วก็องค์ประชุมของการเห็นอย่างนี้ปรารถนาวัดตะอันยาวนานต่อไปในอนาคตก็เพื่อจะเห็นแบบนี้อีกเพื่อจะหาองค์ประชุมพร้อมแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามสิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันหมดตาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งสีก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งจักรวิญญาณก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งภาษาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เวทนาทั้งที่เป็นสุขทุกข์และอุเบกขาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งอดีตที่ผ่านมาสังขารเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่จะเห็นขณะต่อต่อไปแม้กระทั่งจะเห็นชาติหน้าสิ่งเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันนี้เนี่ยการรู้อย่างนี้เรียกว่าพินญ ย, ยธรรมเนีนะนะนะเรียกว่ารู้ยิ่งทีนี้แล้วก็รู้เพิ่ม่าควรกำหนดรู้ว่าจักขูไม่เที่ยงมีจักขูใดที่มั่นคงถาวรไหมนะ เคยเห็นไหมจกักขูไหนที่มันเที่ยงไม่มีสีเคยเห็นสีไหนที่เที่ยงไหมไม่มีที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะได้ไหมไม่มีเพราะทุกอย่างแปรสภาพหมดเลยเมื่อตาก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนและจกักรูวิญญาณจากแน่นอนมาจากไหนเนี่ยนะจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็อยู่ที่อะไรตาจะเห็นชัดมากชัดน้อยนะอยู่ที่ตาด้วยอยู่ที่หลักอยากใหญ่ๆตากับแสงสว่างที่จะเห็นชัดกับไม่ชัดนะ ก็อยู่ที่คุณภาพของจักระภาษะเนี่ยนะนะเพราะตานี้เป็นใหญ่ในการ <Okay. S 1> เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แตกทําลายเป็นธรรมดาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายโลกแตกสลายคําว่าโลกเพราะอัถาว่าแตกสลายอะไรแตกสลายจักระแตกสลายรูปแตกสลายจักระวิญญาณแตกสลายจักระสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ข, ขมสุขเวทนาที่มีจักระสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัยก็ แตกสลายสิ่งเหล่านี้แตกสลายแม้ในอดีตก็เคยแตกสลายไปมาแล้วอนาคตต่อไปก็ถ้ามีก็จะแตกสลายสิ่งที่เป็นอยู่ขนาดนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกสลายใครมีอำนาจอย่างแท้จริงว่าขอจงเป็นเช่นนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้นะถ้าขอเช่นนี้ทำได้ตลอดไปเนี่ยนะบางคนถึงจะจ่ายแค่ว่าผ่านโลกให้ครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าใครทำได้นะจะให้โลกครึ่งหนึ่งเขาก็จะยอม เพราะจักรพรรดิบางองค์เนี่ยนะที่ที่ต้องการที่จะให้อะไรมันคงทนตามเดิมเนี่ยนะก็ยอมจ่ายสเท่าไหร่ก็ได้นะบางคนนี่ยอมจ่ายนะยกแผ่นดินไทยให้ฟรีก็ได้ถ้าถ้าถ้าถ้าทำได้จริงงานแต่ไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงการที่เข้าไปกำหนดรอบรู้ในลักษณะนี้มากๆเรียกว่ากำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ ถ้ากําหนดรู้จักคือว่าไม่เที่ยงสีไม่เที่ยงจักคืวิยญาณไม่เที่ยงภาษะเวทนาไม่เที่ยงแม้อดีตก็ไม่เที่ยงอนาคตไม่เที่ยงภายในภายนอกไม่เที่ยงเป็นต้นเมื่อเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงความสําคัญว่าเที่ยงถูกละไปไหมก็ถูกละไปถ้าเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ความสําคัญว่าเป็นสุขถูกละไปไหมก็ถูกละไปความสําคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราก็ถูกละออกไปยัง ความสําคัญว่าสุกความสําคัญว่าเที่ยงความสําคัญว่ายั่งยืนความสําคัญว่าเป็นอัตตาอันนี้คือสิ่งที่ควรละทีนี้ธรรมะทั้งหลายที่นับเนื่องในภูมิสามดังกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเป็นบ่วงมานวิสัยมานเบ็ดมานถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเนี่ยนะก็มองตรงกันข้ามใช่ไหมคืออสังขตาธาตุอันนั้นควรทําให้แจ้งเมื่อใดเนาะอาสังขตาธาตุจักปรากฏชัดแก่เราได้อันนั้นจักปรากฏด้วยปัญญาเนี่ยนะ อันนั้นเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งทีนี้จะทําอาสังคตาธาตุให้แจ้งหรือไม่อยู่ที่ไหนเจริญอะไรหรือยังตอนนี้สมถาวิปัสสนาควบคู่กันหรือยังถ้าสมถาวิปัสสนาควบคู่กันไม่ได้ก็ไม่ควรสิ้นทุกขก็ไม่ควรพ้นทุก์เพราะฉะนั้นหลักธรรมอ่านห้าคำเนี่ยนะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้ง บทนี้ท่านมายกย่องว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นนะที่ยกย่องในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องในส่วนนี้นะยกย่องตรงนี้จริงๆถ้ามองตรงนี้ไม่เห็นเราก็มองเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้คำสอนเราก็ระลึกค่อนข้างยากนะไม่รู้ระลึกและจบที่ไหนแล้วความปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติดีและที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหน เราจะไปถึงไหนจะไปเจริญถึงไหนจเจริญที่ไหนพะถ้าความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ยังไม่ค่อยพอก็ต้องเรียนให้พอนะก็ต้องเรียนให้พอมีวิธีเดียวเพราะว่าวิธีอื่นเนี่ยนะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันนี้อาศัยอะไรเป็นปัจจัยก็แบ่งเป็นภายในกับภ า, ภายนอกแต่ก็ถ้าจำไม่ได้ภายในก็เกิดไม่ได้เหมือนกันถ้าเราจะนึกถึงอะไรสักอย่างสิ่งที่นึกมันต้องนึกออกใช่ไหม อันนี้นึกก็ไม่ออกไว้อะไรกําหนดรู้อะไรละอะไรเจริญอะไรทําไม่แจ้งถ้ายิ่งบอกพูดให้มันสับสนมันก็เลยสับสนวุ่นวายกันไปหมดเพราะฉะนั้นก็น่ากรุณาด้วยประการชนนี้แหละเนี่ยนะหน้ากรุณาไหมบอกคนที่ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าทาไม่เข้าใจในบทธรรมทั้งห้าบทเนี่ยนะอย่างอื่นเขาจะไม่เข้าใจเลยจริงๆเนี่ยนะมันมันหน้าเห็นใจมากๆเลยเหมือนเหมือนของใครก็ตามเถอะถ้าไม่เข้าใจนี่หน้ากรุณามาก เพราะเขาจะไม่รู้ว่าอะไรควรทําปริญญาอะไรควรละอะไรควรทําให้แจ้งอะไรควรเจริญเมื่อแยกแยะอย่างนี้ไม่ได้แล้ววัดต่ำมันก็เต็มไปด้วยความสับสนใช่ไหมมันก็เต็มไปด้วยความสับสนอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อะไรเป็นกิจของอะไรเนี่ยนะก็ได้หาแต่คําบางอย่างมามาเรียกว่ามากล่อมมาหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งนะจริงๆนะเราทั้งหลายนี่อยู่ด้วยการหลอกตัวเองเหมือนกันนะหวังว่าจะประสบความสุขยิ่งกว่านี้ไอ้สุขที่ว่าไม่รู้มันคืออะไรนะ แต่หวังว่ามันดีกว่านี้กล่อมตัวเองหลอกตัวเองอยู่อย่างงั้นตลอดและวันแล้ววันเล่าพรุ่งนี้คงจะดีกว่าวันนี้ชาติหน้าคงจะดีกว่าชาตินี้ชาติไหนก็ไม่รู้นะครับนี้ก็ว่าไปครนี่นี่คือคือเป็นถ้าเราระลึกถึงตรงนี้ไม่ได้ความเป็นผ้าอรหันเราก็จะไม่เข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจห้าคำดังที่กล่าวไปน ะ, ะจะพูดถึงว่าเราจะทาให้เราไม่เข้าใจพุทธคุณที่เหลือเกือบทั้งหมดเลย หนึ่งนะทวนอีกครั้งถ้าไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ไม่ละสิ่งที่ควรละไม่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งไม่รู้ว่าอะไรควรเจริญในสิ่งที่ควรเจริญถ้าแยกแยะส่วนนี้ไม่ได้ความเป็นพระอรหันเราจะไม่เข้าใจว่าพระอรหันคืออะไรเพราะผู้ที่เข้าใจองค์ประกอบอันนี้เขาได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ได้ละสิ่งที่ควรละได้ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งได้เจริญสิ่งที่ควรเจริญเรียกว่าพระอรหัน เพราะความเป็นผ้าหัน์อยู่ที่เจริญสิ่งที่ควรเจริญเสร็จแล้วถ้าเอาตรงนั้นเป็นประมาณพวกพระเสขะก็คือพวกกําลังกําหนดรู้กําลังละกําลังทําให้แจ้งกําลังเจริญอยู่ถ้าเป็นผ้าหันก็คือทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วกระตังกรณียังทํากิจเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันผ้าหันทํากิจเสร็จนี้เสร็จแล้วอ่ะท่านจึงไกลาจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะสิ่งที่ควรละท่านละหมดแล้ว นัราคะาควรละท่านก็ละโทสะควรละท่านก็ละละหมดเกลี้ยงบาปอากุศลเมื่อท่านแทงตลอดอสังขตาธาตุอสังขตาธาตุไม่เป็นที่ตั้งแห่งจุติและปฏิสนธิไม่เป็นอารมณปัจจัยแห่งจุติปฏิสนธิเมื่อแทงตลอดอสังขตาธาตุเนี่ยนะท่านจึงหักซี่กรรมได้กรรมจึงเลิกให้ผลทีนี้เมื่อผู้ที่แทงตลอดอสังขตาธาตุอย่างนี้เนี่ยนะเป็นผู้ไม่มีฉันทราคะในกองสังขารทั้งมวล ท่านจึงเป็นนาบุญนะความเป็นนาบุญเนื่องจากว่าท่านนี้ไม่มีสังคตะเป็นอารมณ์ท่านพ้นจากสังคตะโดยประการทั้งปวงท่านจึงเป็นนาบุญสุดยอดนาบุญแล้วผู้ที่มีพระนิพพานที่อเป็นอสังคตะเป็นอารมณ์อย่างนี้จะไม่ยอมทําทุจริตโดยเด็ดขาดไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องไปทําทุจริตกับสิ่งใดส่วนทั่วๆไปสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะประพฤติทุจริตคิดว่าทําแล้วจกมีความสุขใช่ไหม ที่ที่ยอมลงทุนทําทุจริตในสิ่งนั้นๆนะเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขนั่นเป็นตั จ, จัยแห่งความสุขแต่ทีนี้เมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้สุขจริงเนี่ยถามว่าเราจะยอมยอมทํำไหมอหแอบไปเหยียบไฟไม่ให้คนเห็นเนี่ยกล้าไหมไม่ยอมนะนะมีใครยอมหรอกชั้นใดก็ดีเมื่อเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นเป็นของร้อนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นต้นแทงตลอดอาสังฆตาธาตุท่านจะไม่ยอม หลีกทําบาปแอบทําบาปโดยประการทั้งปวงเพราะท่านจึงไม่ต้องปกปิดบาปไม่รู้จะทําไปทําอะไรทําเพราะเหตุไรก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําบาปเพราะคนที่ทําบาปทั่วๆไปเขาคิดว่าตัวเองจะได้ความสุขจากการได้สังขาร น, น, นั้นจึงยอมทําบาปอันนั้นอันนั้นแต่ทีนี้เมื่อพระอริยะทั้งหลายท่านเห็นอสังขตาธาตุทำที่พ้นจากสังขารทั้งปวงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องไปทําบาปเพราะ สังขารทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้คือความเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์นี้ถ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองก็เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ด้วยพระองค์เองทีนี้ที่ท่านเป็นอย่างนี้ท่านดํารงมั่นอยู่ในภาเวตะปะธรรมคือวิชากับจรณะวิชาก็คือปัญญาจรณะก็คือสมถะก็คือดารงอยู่กับสมถะกับวิปัสสนาผู้ที่ดํารงในสมถะวิปัสสนาเรียกว่าคนไปดีจริงๆ เป็นสุขโตเป็นผู้ไปดีเพราะไปสู่อสังฆตาธาตุพวกที่รู้อย่างนี้แสดงว่ารู้แจ้งโลกจริงๆโดยเฉพาะสังขารโลกท่านต้องรู้แน่นอนโลกควรกําหนดรู้ท่านก็กําหนดรู้แล้วโลกกษมุ ท, ทยัยควรละท่านก็ละแล้วโลกนิโรธควรทําให้แจ้งท่านก็ทําให้แจ้งแล้วโลกะนิโรทัคามินีปฏิปทาที่ควรเจริญท่านก็เจริญแล้วท่านจึงเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ทําที่สุดแห่งโลกเนี่ยนะ แล้วถ้านับในบรรดาหมู่ชนทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ยิ่งด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนาก็เป็นอนุตตรโภถ้ามีความสามารถเอามาแนะนําคนอื่นในเรื่องนี้ด้วยก็เป็นปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะเป็นสารถิที่สมควรฝึกเอามาบอกมากล่าวมาชี้แจงป ร, ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ง่ายทําให้เตือนให้คนอื่นรู้ชัดตามด้วยอันนี้แหละเป็นปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนอื่นให้ จเจริญอยู่ตามนี้ได้สัตว์อื่นที่ได้รับการฝึกอย่างนี้จะไม่มีการโคดการโกงการงออีกต่อไปนี่นะท่านผู้ดําเนินไปอย่างนี้ก็เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์นี่นะเพราะเพราะมีคุณธรรมที่บอกกล่าวสอนคําว่ า, าศาสดาสัตว์ถุอีกสั์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่พาเทวดาและมนุษย์ข้ามจากโอคะข้ามพ้นจากชาติชาราและมรณะท่านข้ามได้จริงแล้วก็บอกผู้อื่นในวิธี ข้ามด้วยเนี่ยนะข้ามด้วยก็เลยเรียกว่าเป็นนายห้อยนายห้าหรือนายอะไรที่พาหมูกองเกวียนให้ข้ามพ้นทางกันดารฉันใดพระองค์ผู้แทงตลอดอย่างนี้ก็พาหมูสัตว์ข้ามพ้นทางกันดารฉันนั้นข้ามพ้นชาติชราพยาธิที่กันดารฉันนั้นเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าตื่นอยู่อย่างนี้แล้วก็ปลุกให้สัตว์อื่นตื่นด้วยพระพุทธเจ้าอีกความหมายหนึงว่าผู้ปลุกสัตว์อื่นให้ตื่นตามให้ตื่นด้วยเนี่ยนะ แล้วพระ อ, องค์ก็มีอัทยาศัยตามจำแนกแจกแจงในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นระลึกทรงจำห้าคำได้นะเจริญพุทธคุณได้ทุกข้อแล้วเรียนพระธรรมจะไม่ไม่ค่อยสู้จะเป็นภาระสักเท่าไหร่กับนมัตการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะคือจะเรียนถามว่าได้มีสิ่งปลุกให้นปวดกับตัวเองได้ เป็นไงคุณหมอเสียงเป็นไงดังไหมเปิดไมค์แล้วใช่ไหมคือจะถามจะถามว่าที่พระรหันต์ที่เอหิพิกขุเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยท่านประทานให้กับตัวเองได้หรือว่าต้องแบเป็นพระพุทธเจ้าทรงประทานให้เจ้าค ะ, ะต้องมีอุปชาเนียะอุปชาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานให้อาคัญว่าเอหิเนี่ยก็คือจงมาเถิด น, นี่ยนะ เอหิปัสสิกว่าท่านจงมาดูเถิดเนี่ยนะก็คือคําว่าเอหิเอหิพิขูก็คือบอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดคํานี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดที่ถูกพระพุทธเจ้าเรียกเช่นนี้นะคนนั้นเป็นภิกษุเลยเนี่ยนะบริขารแปดมาครบเลยบาดจีวรเนี่ยไม่ต้องไปหามีดโกนมาปลงอีกแล้วเนี่ยนะครบเครื่องทันทีเลยอ่า น, นะอันนั้นเรียกว่าด้วยพุทธานุภาพด้วยแล้วก็บุญเก่าของผู้นั้นด้วย อ ง, อ, องประกอบ2ประการทั้งของพระพุทธเจ้าด้วยทั้งของบุญเก่าของผู้นั้นด้วยทีนี้บางพวกนี้ไม่มีโอกาสได้บวชอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ทําบุญเอาไว้เช่นพระพาหยาิยะธารุเจริญเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตนีในบริขัรคือท่านถือว่าทุกคนก็มาด้วยบุญของตนท่านจะไม่สงเคราะห์ใครเนี่ยนะไม่มีบาศมีจีวรก็ไม่ยอมไม่ค่อยให้ใครแต่ถ้าถ้าตามนั้นจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ค่อยให้ก็ไม่ให้ใครนั่นแหละ ท่านก็เลยไม่ได้บวช ด, ด้วยเอหีพิขุอุปสัมปทานะ่ยนะก็เพราะว่าไม่สละบริคารไม่สละพวกพวกเนี้ยพวกบริคารแปดเนี่ยนะถวายผู้อื่นเอาไว้ก็เลยอันนี้สง่งอันนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกพระสารีบุตรพระโมคขลานะพระมหาคสปะพวกนี้ก็จะเป็นเอหีพิขุอุปสัมปทากันอขออภยัยพระมหาคสปะไม่ใช่เอหีพิขุอุปสัมปทาเป็นโอวาอันนะคือเป็นผู้บวช ด, ด้วยโอวาสเนี่ยนะบวช ด, ด้วยโอวาส โอวาทสข้อนะพระมหากรสปานี่บวชแบบรับโอวาทว่าข้อแรกให้ตั้งความเคารพยำเกรงในที่สุทั้งสามปูนทั้งปูนเทระมัชิมะนวกะต้องไปทำความเคารพโดยส่วนเดียวอันนี้คือเนื่องจากว่าพระมหากรสปานี่นะเป็นเป็นเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มากที่ออกบวชเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นผู้รูปงามมากถ้าจำไม่ผิดนี่มี ม, มหาปริศลักษณะอยู่ในตัวเจประการนนะ เป็นผู้ที่รูปงามมากก็พรหมมาเกิดอ่ะทัานก็เป็นผู้รูปงามเป็นผู้มีบุญหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสามากเนี่นะแล้วพระองค์ก็เลยลดมานะด้วยการไปตั้งความเคารพตั้งความยำเกรงในในพระพิสูจน์ทั้งสามปูนข้อแรกนะข้อสองเนี่ยนะเอาคว่าเงี่ยโสดลงฟัง เขาเรียกว่าธรรมะถ้าเป็นธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะเงี่ยโสดลงฟังขอให้เป็นพระธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นคําสอนนะเงี่ยโสดลงฟังประชุมด้วยจิตทั้งหมดฟังพระวสามก็ไม่ละกายคตาสติเนี่ยนะเจริญกายคตาสติภาวนาเนี่ยนะโดยเสมอต้นเสมอปลายท่านเจริญตามนี้เจ็วันบรรลุเป็นพระอรหันต์เลย